ความปรารถนาอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นยอดปรารถนาของคนเราประการหนึ่งก็คืออยากจะให้คนอื่นรู้ใจเราอยากจะมีคนที่รู้ใจเราเยอะๆโดยเฉพาะเพื่อนคนรักหรือว่าลูกๆนะ ถ้ามีลูกมีหลานก็อยาให้ลูกหลานรู้ใจเราบางทีก็ปรารถนาถึงขั้นอยากจะให้พ่อแม่รู้ใจเราด้วยถ้ามีลูกน้องก็อยากจะให้ลูกน้องรู้ใจเราถ้ามีลูกน้องรู้ใจเราเยอะๆนะก็ก็เชื่อว่าจะมีความสุขแต่เราไม่ค่อยถามตัวเราเองเท่าไหร่ว่าแล้วเราล่ะนะรู้ใจเราบ้างหรือเปล่าเรามักจะ เรียกร้องปรารถนาหรือบางทีก็กะเกณฑ์ให้คนอื่นเนี่ยมารู้ใจเราแต่เรากลับไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเท่าไหร่เราอยากจะเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจเรานะแต่เราเคยถามตัวเราเองหรือเปล่าว่าแล้วเราเข้าใจตัวเองบ้างไหมนี่ความปรารถนาคนเรานี่มักจะออกไปข้างนอกตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยได้ย้อนกลับมา มาที่ตัวเองเราอยากให้คุณรู้ใจเราเพื่อที่จะได้ทำตามใจเราหรือเพื่อที่ทําให้เราไม่โกรธแต่บ่อยครั้งไอ้ความโกรธมันก็เกิดมาจากใจของเราความทุกข์มันก็เกิดจากใจของเราเป็นส่วนใหญ่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมานะคือคิด เกิดเลยจะไปจากความเป็นจริงอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่เมื่อวันศืลนะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่ว่าเราก็ปรุงแต่งนะจากสิ่งที่เห็นโดยเพราะถ้าคิดไปในทางลบก็ปรุงแต่งไปในทางร้ายเสร็จ แ, แล้วใครทุกข์เราก็ทุกข์เองบ่อยครั้งก็ความทุกข์เกิดจากการที่เรายึดติดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็หวนคิดหวนนึกแล้วก็ครุ่นถึงมันคิดทีไรก็ปวดทุกทีคิดเทไรก็แค้นทุกทีแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันก็ไม่ต่างจากการที่เราอเอามีดมาทิ่มแทงจิตใจของเราเอง บางอย่างเนี่ยมันเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยดีแต่ความทรงจำที่ไม่ดีนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไรถ้าเราใช้ให้เป็นมันก็เกิดบทเรียนที่ทำให้เราเนี่ยไม่พลั้งพลาดพลั้งเผลอทำให้เราฉลาดมากขึ้นแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นมันก็เหมือนกับว่าเรามีแก้วอยู่ในมือ เศษแก้วในมือที่คมแต่แทนที่เราจะถือไว้เฉยๆแล้วก็กําแล้วก็บีบบีบเศษแก้วนั้นนะมันก็ย่อมบาดนิ้วบาดมือเราเป็นธรรมดาทีนี้พอบาดนิ้วบาดมือแล้วเนี่ยจะโทษไข่จะโทษเศษแก้วหรือว่าโทษตัวเราเองนะที่ทําไม ไปกำรรแล้วไปบีบมบราไว้นียก็แค่ถือไว้เฉยๆหรือแบะไว้เฉยๆนะหรือว่าดียิ่งกว่านั้นนะคือว่าพลิกมือพอพลิกมือความมือมันก็ตกลงไปนะแต่ว่าเราไม่อย่างนั้นนะนอกจากเราจะกำบรรไว้แล้วเรายังบีบเอาไว้อีกบีบแน่นๆบีบแล้วบีบเล่าแล้วเราก็เจ็บเองนะ บางทีก็เหมือนกับว่าเรามีมีทุเรียนรนะูกทุเรียนที่มีหนามแหลมคมแล้วเราก็กอดเอาไว้กอดเอาไว้แน่นๆตอนเรา ก, กอดไว้แน่นๆเป็นยังไงมันก็โดนหนามทุเรียนทิ่มเมาถ้าวความทรงจำหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีมันก็ไม่ต่างจากทุเรียนนะก็คือว่า ถ้าไปแตะมันไม่เป็นไม่ถูกเนี่ยก็โดนน้ํามันทิ่มเอาแต่ว่าทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่น้ําแหลมนะข้างในนี่มันมีเนื้อเนื้อที่หวานเนื้อที่อร่อยคนฉลาก็จะรู้จักวิธีที่จะกรีดเอาเปลือกมันออกนะกรีดเอาเปลือกมันออกแล้วก็ทิ้งไปก็จะเหลือแต่เนื้อ อร่อยเนื้อหวานนะเอาไว้กินประสบการณ์ความทรงจําที่ไม่ดีก็เป็นแบบนี้นะมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรนะคนที่ไม่ฉลาดก็กอดมันเอาไว้กอดมันเอาไว้แล้วกอดแน่นๆเสร็แจแล้วก็ปวดเองแล้วก็ไปโทษทุเรียนว่ามันหนามันคมหนามมันแหลมนะ มีบางคนนะก็โยนทุเรีอนทิ้งไปก็คืออยากจะลืมมันซะเรามองจะเข้าใจว่าความทรงจําประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ย ถ, ถ้ามันเจ็บปวดมากก็ต้องลืมมันซะถ้าโกรธแค้นมากๆก็ลืมมันซะอันนั้นก็ก็ยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกนะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ใชก็เลยเปลี่ยบมันกับว่าทุเรียนเนี่ยนะความทรงจําที่ไม่ดีมันก็ทุเรียนถ้าเราทิ้งมันไปโยนทิ้งมันไปเพียงเพราะหนามมันแหลมอันนี้เราก็ไม่ฉลาดเหมือนกันของดีแต่ไม่รู้จักใช้นะอันนี้ก็เปรี่ยนมืาคนที่พยายามที่จะลืมความทรงจําที่ไม่ดีลืมประสบการณ์ที่ไม่ดี แต่ว่าลืมได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะส่วนใหญ่ก็ลืมไม่ได้ยิ่งอยากจะลืมมันมันก็ยิ่งยิ่งผุดยิ่งโผล่อันนี้เป็นธรรมชาตินะของของของอารมณ์ต่างๆยิ่งเราต่อต้ายิ่งผลักสายมันมันก็ยิ่งคงอยู่แล้วก็ยิ่งยั่งยืนยิ่งมารบ ก, กวนจิตใจเรามากขึ้น เหมือนกับเราพยายามลืมคนที่ทำร้ายเราแต่เราก็ไม่เคยลืมได้สักทีเลยก็เฝ้าแต่คิดถึงเขานะคิดแล้วก็โกรธหรือบางทีดูเหมือนจะลืมได้แต่พอมีอะไรมากระทบเข้ามาชวนให้นึกถึงก็จะโกรธขึ้นมาทันทีหรือบางทีก็อาจจะไม่ใช่โกรธแต่เป็นความเสียใจในเหตุการณ์บางอย่างที่เราได้ทำผิดพลาดไป หรือที่เรารู้สึกผิดหวังก็อยากจะลืมนะแต่ว่าลืมไม่ได้เพราะว่าพอมีใครพูดพอมีใครหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ชวนให้นึกถึงเหตุการณ์นั้นหรือคนนั้นก็จะเสียใจขึ้นมามันจะคับแค้นใจขึ้นมาอันนี้ก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดี เราต้องเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นไม่ใช่กอบมันเอาไว้หรือไม่ใช่ผลักสายมันไปแต่ว่ารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เหมือนกับเรากรีดทุเรียนกรีดเปลือกทุเรียนนะก็เอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปได้รับแต่หรือว่าเหลือแต่สิ่งที่ดีเอาไว้้ถ้าเราเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่เราเกี่ยวข้องมันอย่างถูกต้องนะ เวลานึกถึงเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกแต่ว่าเราจะได้บทเรียนมันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเนี่ยมีความไม่ประมาทหรือว่าระมัดระวังในการเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าในการวางจิตวางใจให้เป็นให้ถูกต้องได้ อันนี้เนี่ยจะทำได้เนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการดูใจของเราฉลาดในการที่จะรู้ใจนะเมื่อเราฉลาดในการรู้ใจรู้ทันอารมณ์รวมถึงเข้าเข้าใจอารมณ์ต่างๆว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันทำงานอย่างไรเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้ว่ามันไม่คงที่ไม่คงทนนะเราก็ สามารถจะเป็นสุขอยู่ได้หรือถ้าเรารู้จักใครโครวนมันนะเราก็สามารถจะได้ประโยชน์จากมันได้นะอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวันสองวันว่าเหตุการณ์เหตุร้ายต่างๆเนี่ยมันมีมันล้วนมีประโยชน์เสมอมันสอนใจเรา ในเรื่องความจริงของชีวิตในเรื่องความไม่เที่ยงความปันผวนแปรปรวนทำให้เรายึดติดถือมั่นอะไรกับสิ่งต่างๆไม่ได้เพราะว่ามันก็มีความผันแปรเป็นนิจแต่ขณะเดียวกันมันก็ฝึกใจเราฝึกให้เรามีความเข้มแข็งฝึกให้เรามีสติฝึกให้เรามีความระมัดระวังไม่ประมาทนะรวมทั้งฝึกให้เรารู้จักมองอะไรในแง่บวกบ้าง อันนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่เราฉลาดหรือหมั่นดูใจของเราอยู่เสมอเสมอธรรมชาติคนเราเนี่ยมักจะส่งจิตออกนอกนะมักจะใส่ใจหรือมักจะสนใจแต่เรื่องภายนอกซึ่งมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าภัยของคนเราเนี่ย ที่มาจากภายนอกก็มีไม่น้อยเราต้องมีตาเอาไว้ดูเห็นรูปเอามีจมูกเอาไว้ดมกลิ่นหูฟังเสียงเพื่อที่จะได้ระแวดระวังไม่ให้อันตรายมาถึงตัวเราโดยพราะสมัยก่อนเนี่ยอันตรายมันก็มาจากภายนอกเยอะเช่น สัตว์ป่างูงเยงี่ยวเขี้ยวขอหรือว่าอาหารที่เป็นพิษนะรวมทั้งภัยธรรมชาติก็ล้วนแต่มาจากนอกตัวเราทั้งนั้นแต่สมัยนี้เนี่ยไอ้ภัยที่มาจากนอกตัวเนี่ยมันก็ลดลงไปเยอะเราไม่ค่อยเจอปัญหางูงเยี่ยวเขี้ยวขอหรือว่า สัตว์ร้ายจะมาทำอันตรายเราพวกยาพิษอาหารเป็นพิษนะนนก็มีน้อยลงเพราะว่าการเรื่องสุขาน้าใหม่ก็ดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยภัยที่มันน่ากลัวแล้วก็คุกคามคนเราเป็นส่วนใหญ่ ก็คือภัยจากภายในก็คือจากใ จ, ใจนะจากอารมณ์ต่างๆนะซึ่งถ้าเราไม่รู้ จ, กจักเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นเนี่ยมันก็จะทำร้ายเราถึงตายได้เช่นไม่สบายเพราะความดันขึ้นนะบางทีก็<อ>เป็นโรค สารพัดที่เรื้อลังแต่ไม่รู้ว่เป็นเพราะอะไรอันนี้ก็สาวไปสามารถจะพ่อเป็นเพราะความโกรธเป็นเพราะความเครียดเป็นเพราะความรู้สึกผิดเป็นเพราะความกลัวบางคนนี่พอถึงเย็นวันสาวอา้าวพอถึงเย็นวันอาทิตย์นี่ก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเป็นความมีความรู้สึก หายใจไม่ค่อยคล่องมีความรู้สึกปวดหัวปวดท้องยิ่งพอถึงเช้าวันจันทร์นี้ก็อาการก็กําเริบอันนี้ไม่ใช่อะไรที่ไหนไม่ใช่เพราะมีเชื้อโรคไม่ใช่เพราะพระมีก้อนมะเร็ง น, นะแต่เป็นเพราะว่ากลัวจะต้องไปเจอเจ้านายที่ดุที่คอยต่อว่าใช้กําลังใช้อํานาจอาการนี้มันก็ทําให้ผวาได้เหมือนกันมันก็มาจากใจ ใจที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาแต่สนใจแต่สิ่งภายนอกตัวอย่างเดียวแต่ว่าลืมดูใจของเรานะเราก็จะไม่มีวันที่จะมีความสุขหรือว่าไกลาจากความทุกข์ได้เลยธรรมชาตินี้ให้ใจของเรามานะเพื่อที่จะได้รู้ อารมณ์ความนึกคิดใจของเรานี่มีความสามารถในการรู้ทันอารมณ์ความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในได้แต่ว่าเรามักจะใช้ใจเพื่อที่จะรับรู้สิ่งภายนอกมากเกินไปเรียกว่าส่งจิตออกนอกอยู่ บ, บ่อยๆอาการส่งจิตออกนอกอยู่บ่อยๆนี่มันก็ทําให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้เยอะ แล้วจกนกระทั่งลืมลืมภัยที่มาจากภายในนะก็ปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันกัดกร่อนจิตใจหรือเผาลนจิตใจหรือว่าทิมแทงจิตใจของเราเองก็ต้องรู้จักใช้ใช้ใจให้เป็นนะใช้ใจเพื่อที่จะได้ดูเพื่อที่จะรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนะ และถ้าเรารู้แล้วเราเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นนี่ ก, ก็จะได้ประโยชน์มากไอ้ความโกรธความเศร้าความเหงานี่ก็มีประโยชน์นะมันสอนทำให้กับเราได้เหมือนกันมันสอนทำให้เราได้ไม่น้อยไปกว่าความสุขความยินดีความแช่มชื่นเบื้องบานเวลาเราปฏิบัติธรรมที่เรียกวิปัสสนาเนี่ยนะ ที่ปัศนาเ น, นี่ยคือการที่เราดูใจตามที่มันเป็นแล้วก็รับรู้มันโดยไม่ปฏิเสธไม่ผักใสทุกอารมณ์จะเรียกว่าต้อนรับก็ได้แต่ไม่ใช่ต้อนรับแล้วก็คลุกเคล้าไปกับมันไม่ใช่เพลิดเพลินหรือว่ายินดีไปกับมันรวมทั้งไม่ใช่ยินร้ายหรือว่าครึงเครียดไปกับมัน แต่ว่ารู้มันอย่างที่มันเป็นโกโรธก็รู้ว่าโกโรธ ด, ดีใจก็รู้ว่าดีใจเครียดก็รู้ว่าเครียดฟุ้งก็รู้ว่าฟุง้งโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะอันนี้แหละที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดปัญญาก็คือเห็นธรรมชาติของอารมณ์อย่างที่มันเป็นแล้วก็รู้ว่าเออมันก็ไม่เที่ยงนะแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนนะก็คือว่า มันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้แล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้ว่าจะมีอิสระของมันอารมณ์ต่างๆนี่มันก็เหมือนกับสิ่งต่างๆนะมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองมันต้องพึ่งพาสิ่งอื่นอันนี้เรียกว่าไม่มีตัวตนคือถ้ามีตัวตนเนี่ยก็หมายความว่ามันมี มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเป็นอิสระแต่อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยตัวมันเองมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเช่นตาเห็นลูกเห็นคนที่เราไม่ชอบหรือว่าลิ้นได้สัมผัสกับรถที่ไม่ชอบนะก็จะเกิดความไม่พอใจแล้วก็จะเกิดโทสะเล็กๆขึ้นมาหรืออาจจะเกิดโทสะมากๆก็ได้ ให้โทรศัพท์รือความกลัวนี่มันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากจะเกิดก็เกิดไม่ใช่ถ้าอยากจะเกิดก็เกิดนี่แสดงว่ามันมีตัวตนที่เป็นอิสระของมันเองแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดูก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นได้แก่เหตุปัจจัยภายนอกและเหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงนะ ที่ไม่ที่ไม่ถูกใจเราแล้วก็ส่วนใจก็คือใจที่ปรุงแต่งนะนิสัยคนเราเนี่ยถูกถูกฝึกมาเพื่อเพื่ออย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของใจของเราก็คือว่าพอตาเห็นรูปแล้วเนี่ยหรือหูได้ยินเสียงแล้วก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นความยินดีบ้างยินร้ายบ้างหรือปรุงแต่งให้มันนอกรูนอกทาออกไป ใจของเราเป็นอย่างนั้นนะเป็นจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยไม่ใช่ธรรมชาตินะแต่เป็นนิสัยที่เกิดจากการหล่อลอมนะพอตายเห็รูปปุ๊บเนี่ยนะมันปรุงแต่งเลยปรุงแต่งเป็นอารมณ์ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะหัวได้ยินเสียงก็ปรุงแต่งเลยเป็นชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะแต่ว่า เราก็ถ้าเราฉลาดเราก็จะรู้ว่ า, าการปรุงแต่งแบบนี้เนี่ยมันทำความทุกข์ให้กับเราบางครั้งมันทำความยินดีให้กันเราก็จริงมีความสุขแต่ว่าพอรูปรดกลิ่นเสียงนั้นหายไปความสุขหดหายเราก็ไม่สบายใจเราก็ทุกข์ความสุขก็ทำให้เราทุกข์ได้นะเมื่อมันหายไป เมื่อมันไม่คงอยู่ยั่งยืนนะเคยอยู่กับคนบางคนแล้วมีความสุขเสร็จแล้วเขาหายไปความสุขก็หายไปด้วยเราก็เลยทุกข์ขึ้นมาหรือบางทีก็อยู่กับคนนั้นแหละแต่ว่าความสุขมันจืดจางมันกลายเป็นเบือ่อก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งที่ทำให้เราต้องแสวงหาคนใหม่หรืออยากจะทิ้งเขาไปอาหารก็เช่นเดียวกันอาหารที่ให้ความสุขให้ความอร่อยกับเรา แต่พอไม่ได้กินเราทุกเลยหรือว่ายังได้กินอยู่แต่ว่าได้กินทุกวันทุกวันทุกวันเช้าก็กินกลางวันก็กินบา่ายค่าก็กินอาหารชนิดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหูชลาไม่ว่าจะเป็นไก่ย่าง <c oughs> ถ้าเรากินทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกมื้อจะเป็นยังไงให้ความสุขความอร่อยก็ตืดจางไปกลายเป็นความเบื่อจากความเบื่อก็กลายเป็นความเอียน และทะเอียามากก็อาเจียน น, <c oughs> นี่ยรู้วันในสุขมีทุกข์ในความสุขก็มีความทุกข์และถ้าเรายึดมันเกี่ยวข้งของกับมันไม่เป็นเราก็ทุกข์นะเพราะฉะนั้นความยินดีก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจเหมือนเสมอไปมันก็เป็นความทุกข์ที่แฝงมันในรูปแบบหนึง่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาช้าไม่เหมือนกับอาหารที่ไม่อร่อยไม่เหมือนกับคนที่ไม่น่ารัก เราเจอปุ๊บนี่ก็ทุกปับเลยนะแต่ทุกเพราะความปรุงแต่งนะปรุงแต่งที่ใจเราแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรู้ทันในความปรุงแต่งนี้บ้างก็ทํำไม่ต้องมาดูใจบ่อยๆมันก็ไม่มีอะไรนะกลับมาดูใจเห็นความปรุงแต่งเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะวางได้แต่ต้องเห็นให้เป็นนะเพราะถ้าเห็นแล้วเราพยายามไปผลักสมันมันก็จะเหมือนกระตุกกตาล้มลุกยิ่งผลักมันก็ยิ่งเด้งเข้าหา เหมือนกับวัยรุ่นที่ยิ่งดุก็ยิ่งเหมือนกับยิ่ง ย, ยุยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุทัานใจเราเป็นงั้นจริงๆนะอะไรที่ไม่ชอบก็จะยิ่งคิดถึงมันบ่อยๆอะไรที่ห้ามเนี่ยก็จะยิ่งนึกถึงมั น, เ, นเคยมีคนเขาทดลองเอาเอาอาส า, าสมัครเนี่ยมั น, นั่งอยู่คนเดียวในห้องแยกกันอยู่คนละห้องคนละห้อง แล้วก็บอกอาสาสมัครทุกคนว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะแต่ห้ามคิดอย่างเดียวคือห้ามคิดถึงหมีขาวหมีขาวคือมีคนโล ก, ก น, นะนะคุณจะคิดอะไรก็ได้ห้ามคิดถึงหมีขาวเมื่อใดที่เมื่อใดก็ตามที่คุณนึกถึงมีขาวขึ้นมาเนี่ยให้กดกลิ่งทันทีเลยนะเพราะว่าให้โจทย์นี่ไม่ทันไรเลยกลิ่งตามห้องต่างๆก็ดงังดังระงมเลยคือยิ่งห้ามเนี่ยก็ยิ่งคิดนะ ยิ่งไม่ชอบยิ่งผลักไสมันก็ยิ่งหวนยิ่งนึกหรือยิ่งผุดยิ่งโผล่มารบกวนจิตใจแล้วจะทำยังไงดีนะไปไปตามนึกถึงมันก็ทุกข์แต่ไปห้ามมั น, มนไปกดข่มมันมันก็ยิ่งโผล่แล้วจะทำยังไงก็มีทางเลือกที่สามทางสายกลางคือแค่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉย รู้โดยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ผลักไสแล้วก็รู้โดยไม่ขวายคว้าอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่ผลักไสอะไรที่ดีก็ไม่ขวายคว้าก็เรียกว่ารู้โดยใจที่เป็นกลางนะอารมณ์พอะเทียนหรือว่าคาเขียนบอกว่ารู้เฉยเฉยก็คือรู้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรนอกจากนั้นไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปผลักไสแล้วก็ไม่ไปไม่ไปยึดไม่ไปอยากให้มันอยู่นานๆนะ ใหม่ๆทำได้ยากนะเพราะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยพอเจออะไรที่ชอบก็ไขว่คว้ายึดเข้าไว้อะไรที่ไม่ชอบก็ผลักใสนี่เป็นธรรมชาติของเรานะเป็นธรรมชาติของจิตเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เหมือนกับเวลาเราเจอภัยขึ้นมาเนี่ยเจอภยัยภายนอกเนี่ยเราก็จะถ้าไม่หนีก็สู้นะสมัยที่เราอยู่ป่าอยู่ถ้ำนี่มันก็วิธีนี้มันก็ได้ผลนะ เจอสัตว์ร้ายก็ถ้าไม่หนีก็สู้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆก็โดนมันมันบี้เอาอยู่เฉยๆก็โดนมันกินมันฆ่าไปแต่ว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่มันร้ายกว่าเสือเนี่ยมันเราจะใช้วิธีนี้ไม่ได้จะใช้วิธีดําเดิมๆไม่ได้คือสู้กับหนีนะสู้ก็ไม่ได้นะจะไปสู้ไปกดข่มมันเพื่อให้มันหายไปแล้วก็ยิ่งทุกข์ยิ่งปวดยิ่งเครียด จะหนีไปคือแก้งทำลืมนะมันก็ไม่ยอมนะแต่มีวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลก็คือว่ารู้เฉยๆนะพอรู้แค่นั้นหละนะมัน ก, มนก็มันก็เหมือนกับสลายหายไปเหมือนกับระเหยหายไปเลยถ้าเราสังเกต ด, ดูนะเวลาเรามีอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่ายินดียินร้ายเนี่ยลองรู้เฉยๆดูมั่งหรือดูเฉย มันก็จะค่อยคลายไปมันกัโจรที่แอบเข้ามาในบ้านเมันกับขโมยที่แอบเข้ามาตอนกลางคืนแต่พอเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นมันเห็นต่อหน้าต่อตาเลยมันก็หนีไปเลยนะมันไม่อยู่มันอายหรือมันกลัวก็แล้วแต่แต่ว่าบางคนก็อาจจะถามว่าเอ้ทำไมโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธแต่ความโกรธก็ยังอยู่นะ อันนี้เพราะว่าสติเราจะไม่มีกำลังพอก็ได้ก็คือว่ามันก็ไฟไฟกองแรงๆกองใหญ่ๆเอาน้ำไปลดเนี่ยไปฉีดมันเนี่ยมันก็น้านี่น้าน้อยไฟก็ไม่ดับหรือมันก็รถที่กำลังวิ่งเร็วๆเราแตะเบรคแต่เราแตะนิดเดียวมันก็ไม่หยุดมันก็ยังมีแรงวิ่งแรงส่งวิ่งต่อไปได้หรือแม้จะเป็นเพราะว่า มันไม่ใช่สติที่บริสุทธิ์ก็คือว่ามันยังเจอความอยากอยู่มันยังเจอความเกลียดอยู่เช่นมีความโกรธเนี่ยมีสติรู้ ก, ก็จริงแต่ว่าในในสตินั้นเนี่ยมันมีความเกลียดไม่ชอบความโกรธนะหรือว่ามีความอยากที่จะให้ความโกรธหายไปมันเป็นสติที่ไม่บริสุทธิ์มันไม่ใช่เป็นกลางร้อยเอร์เซต์ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําที่เจอไปโดยน้ํามันเอาไปลดน้ําเอาไปลดไฟเนี่ยมันก็ไม่ดับหรอกเพราะมันมีน้ํามันเจืออยู่อันนี้ก็คือเหตุผลว่าทาไมบางคนบอกว่าโกรธหรือเศร้ า, าก็รู้ว่าโกรธรู้ว่าเศร้าทํำไม่หายก็เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นใจไม่ใช่สติที่บริสุทธิ <c oughs> ์ถ้าสติที่บริสุทธิ์นี่มันไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความอยากไม่มีกิเลสแฝงอยู่ ไม่มีความอยากหรือว่าความเกลียดหรือความรู้สึกล็อบแฝงอยู่มันเป็นความรู้สึกเป็นกลางอล้นลวนนะใหม่ๆก็ทำยากนะแต่ว่าถ้าทำไปทำไปเนี่ยเราก็จะทำได้ก็คือเราก็เห็นมันเฉยๆ ห, อห้อยมันเฉยๆเนี่ยมันก็ไออารมณ์พวกนี้ความสึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ <c oughs> มันก็ระเหย หรือละลายหายไปนะมันไม่ใช่หายปรับปรับนะถ้าเวลาเรามีความมีความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็พอเห็นมันแล้วก็มันหายไปเลยนี่แสดงว่าไม่ใช่เห็นมันทีเดียวแต่ว่าไปกดไปห้ามมันมันถึงหายวับไปเลยอาการที่หายวับไปเลยนี่สำหรับผู้ฝึกใหม่นี่แสดงว่าไปกดไปข่มไปห้ามมันให ม, มายนี่มันไม่หายวับเัมนนมันค่อยๆละลายหายไป เฟตหายไปช้าๆก่อนเพราะสติเรายัางยังยังไม่ไม่มีกําลังพอแต่ว่าพอมีสติพอสติมีกําลังเนี่ยมันก็จะหายไวยขึ้นแต่อย่าไปอยากให้มันหายไวยนะถ้าไปอยากให้มันหายไวยนี่ก็เป็นปัญหาอีกเพราะอะไรก็ตามที่อยากมันก็มักจะไม่เป็นไปตามอยากหรือพอไม่เป็นไปตามใจอยากก็ทําให้ทุกข์ขึ้นมาแล้วความอยากนี่ทําให้ทุกข์เพราะเหตุ น, นี้ พออยากแล้วไม่สมอยากก็ทุกข์หรือว่าอยากแล้วมันไม่มันมันมันไม่เป็นไปตามใจอยากนะก็ไม่พอใจอันนี้คือการสร้างสร้างนิสัยใหม่ให้กับใจนะเป็นนิสัยที่รับรู้สิ่งต่างๆโดยไม่ปรุงแต่งคือแค่รู้เฉยๆแต่ก่อนมันปรุงแต่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงปุ๊บปรุงแต่งเลยเป็นความชอบความชังเยินดีๆยนร้ายแต่ตอมาเราเริ่มฝึกนะ การเจริญสติคือฝึกโดยไม่ปรุงแต่งคือรู้เฉยเฉยเฉยเฉยก็คือบริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่ ง, ม, ง, ตงมันก็จะเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้กับจิตแต่ก่อนคนที่ไม่ฝึกเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำนะมันกับร่องน้ําล่องน้ํา ม, มันมีอยู่ล่องเดียวพอปล่อยน้ําไปมันก็ไหลไปตามล่องน้ํานั้นคือตาเห็นรูปปุ๊บมันปรุงแต่งเลยนะแต่ต่อมาเนี่ยเราเจริญสติก็หมายว่าเราเริ่มสร้างล่องน้ําใหม่ใหม่เนี่ย นะขุดได้นิดๆห น, หน่อยๆเนี่ยน้ํำก็ยังไม่ไปทางนั้นหรอกนะปฏิบัติทีไรฟุ้งทุกทีนะนะนึกอะไรทีไรก็ฟุ้งทุกทีนะครูบาอาจารย์บอกว่ามันมีน้ําหนักในความฟุ้งซ่าน ม, มันมีน้ําหนักมันก็ฉุดใจไปทางนั้นหรือเทียบียานนี่คือว่ามันมีร่องร่องความคิดร่องอารมณ์อยู่นะนะมันมีร่องความคิดร่องอารมณ์ก็คือว่า พอเห็นปุ๊บก็ปรุงแต่งไปเลยอยากอยากเสร็จแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปเป็นการกระทาก็คือไปทำตามความอยากนั้นหรือไม่ก็ไปผลักไสสิ่งนั้นนี่คือร่องความคิดนี่คือร่องพฤติกรรมเป็นนิสัยนั่นเองจนทั้งกายเป็นสันดานแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเรามาเจริญสติแล้วก็พยายามสร้างร่องร่องร่องแห่งจิตร่องแห่งร่องความคิดใหม่นะ จะเรียกว่าร่องความคิดก็ไม่ไม่ถูกนะเป็นเป็นร่องของใจนะร่องนี้เนี่ยพอพอมันพอมันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยทีนี้น้ําเนี่ยพอปล่อยน้ําเข้ามาเนี่ยมันไม่ไปร่องเดิมแล้วมันไปร่องใหม่ก็คือว่าพอตายเหตุรูปปุ๊บนะมันไม่ปรุงแต่งแล้วมันรู้เฉยเฉยนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันมีการแคร่ครวญตามมาในภายหลังเห็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าพออยากปุ๊บเข้าไป คว้าปั๊บเลยไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยเด็กสี่ขวบเนี่ยที่เขาถูกฝึกมาบางคนนี่พอเห็นขนมปุ๊ บ, บพอผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็ค ว, คว้าปั๊บเลยนะเพราะว่ามันเกิดความอยากพออยากแล้วเนี่ยก็ทําตามอารมณ์อยากนั้นนะแต่ว่าเด็กที่เขาฝึกมาดีเนี่ยเขาก็อยากยา ก, ก็อยากได้แต่ว่าเขารู้ว่าถ้ารอสักพักนี่จะได้มากกว่าเขาก็รอเขาก็ไม่ทําตามความอยากนี่ก็คือการสร้างร่องร่อง ร่องความคิดร่องพฤติกรรมแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นคือให้รู้ทันความอยากนะรู้ทันความอยากเห็นความอยากนะไม่ต้องไปกัดฟันกดข่มต่อสู้กับความอยา ก, ยากเพื่อที่จะได้รอได้นา น, น, านนะแต่ว่าถ้าฝึกดีกว่านั้นคือเห็นเห็นความอยากพอเห็นแล้วมันก็หลุดไปได้เด็กนี่ฝึกได้เหมือนกันนะฝึกให้เห็นอารมณ์นะถ้าผู้ใหญ่สอนเป็นนี่ก็กทาให้เขาเห็นอารมณ์ของตัว แล้วอารมณ์มันก็หลุดไปได้นะมีแม่มีเพื่อนคนหนึงเขาไลฟ์ฟังลูกเขาเนี่ยอายุทักสามสี่ขวบอุตส่าห์จัดดอกไม้แยกเป็นสีๆวางไว้บนแจกันแล้วก็มีความภูมิใจแต่ว่ายายเนี่ยเห็นว่ามันไม่สวยนะถ้าเอาถ้าแยากสีกันก็เอาสีมาปะบนกันนะเอาสีมาปะบนกันพอ อ๋อมาเสียงต่างมามาปะปนกันอยู่ในแจกันคนละแจกันเนี่ยเด็กเห็นก็โกรธนะโกรธย่าโกรธย่าที่ทำอย่างนั้นก็ร้องไห้ก็โวยวายนะบอกให้ให้ย่านะกลับมาทำเหมือนเดิมแต่ย่าไม่อยู่เเด็กก็ยิ่งร้องไห้แม่บอกว่าแม่จะทำให้เองแม่จะทำให้เองเด็กก็ไม่ยอมนะแม่ไม่รู้ทำไง นะแม่ก็พยายามบอกว่าแนละ้วว่ายายเขาไม่ตั้งใจนะยายก็าปาถนาดีเด็กก็ยังไม่ยอมแม่ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ก็เลยถามถามลูกว่าลูกตอนนี้เนี่ยโกรธใช่ไหมลูกก็บอกโกรธแม่ก็ถามอีกว่าลูกโกรธแค่ไหนโกรธเท่านี้ลูกโกรธเท่านี้นะโกรธเท่าฟ้าหรือว่าเนี่ยลูกบอกโกรธเท่าฟ้าเลยนะเหร อ, อ, อลูกโกรธเท่าฟ้าก็ ก็ดูมันไปนะนะพอพอพูดงนี้ไม่ทันะลรเนี่ยความกกวดของลูกเนี่ยก็เหมือนกันลืมหายไปเลยสักพักเด็กก็กลับมาวิ่งเล่นเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไม่ได้โกรธมาก่อนเลยนะให้ความความโกรธเนี่ยสิ่งที่แม่สิ่งที่แม่คนนี้ทำเนี่ยก็คือไม่ได้บอกให้ลูกหายโกรธนะแต่ว่ า, วาเป็นกระจกสะท้อนให้ให้ลูกเห็นความโกรธของตัวเอง พอหลุดจากความกลัวตัวเองเนี่ยความกลัวก็วูบายไปเลยแล้วเด็กเนี่ยจะจะจะจะไม่ค่อยปรุงแต่งมากนะคือพอเห็ความกลัวแล้วความกลัวมันก็บันเทาลงแต่ผู้ใหญ่นี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคือมักจะสร้างเหตุผลมาลองรับความโกรธด้วยว่าเรามีเหตุผลที่ต้องโกรธถูกแล้วที่เราต้องโกรธนะพอสร้างเหตุผลนี้คือมาลองรับเนี่ยความกลัวมันก็เลยไม่หายไปง่ายๆแต่ถ้าเห็นมันเนี่ยมันก็ มันก็เบาลงไปเลยอันนี้เด็กเขาก็ทำได้นะคือการทำให้เด็กเขาเห็นและต่อไปเนี่ยพอเด็กพอมีความกลัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะฝึกที่จะระงับความโกรธ ด, ด้วยตัวเองนะดยการหันมาดูใจของตัวน้องไอ้น้องไอนี่ก็เด็กสี่สี่ขวบทะเลาะกับแม่แม่ไม่รู้ว่า แม่แม่พูดแม่ทำแล้วไม่ถูกใจแม่ก็ตอบว่าแต่น้องน้องไอ้ก็ไม่พอใจแม่ก็ตอบว่าน้องไอ้นะบอกว่าน้องไอ้นี่ครานี้ไม่เถียงนะก็เดินออกไปใชเดินออกไปเลยแม่ก็เดินตามไปถามว่าน้องไอ้จะไปไหนน้องไอ้บอกว่าไปสงบสติอารมณ์นะคือเด็กเขารู้เลยว่าเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดความ ความทุกข์ขึ้นมาเพราะถูกแม่ด่าเนี่ยถ้าเด็กทั่วไปก็จะระบายความโกรธด้วยการเถียงแม่ด้วยการแสดงอาการพยศนะกับแม่แต่เด็กเขารู้ว่าไอ้ความทุกข์เวลาเกิดขึ้นเนี่ยคื อ, ค, อคือเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาในใจเนี่ยวิธีที่แก้คือหันมาสงบสติอารมณ์ไม่ใช่ระบายออกไปบางทีระบายออกไปด้วยความไม่รู้ตัวด้วยซ้าแต่เด็กคนนี้นี่เขา ก็เหมือนก็ถูกฝึกมาดีนะเขาก็รู้ว่าเวลามีความทุกข์ขึ้นมาในใจมันไม่ใช่ระบายออกไปข้างนอกมันไม่ใช่ไปโทษใครนะแต่ต้องกลับมาที่ใจของเรากลับมาที่การสงบสติอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่ารู้ใจนะเริ่มกลับมาดูใจแล้วก็รู้ใจตัวเองอันนี้เราก็ต้องนะให้การฝึกที่นี่เนะี่ยก็ฝึกแบบนี้แหละก็คือฝึกเพื่อให้เรามา ม า, มาดูใจมารู้ใจโดยที่ไม่ต้องทำอะไรแค่รู้เฉยๆนะมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งนะไม่ต้องทำอะไรกับความฟุ้งนั้นเพราะแค่รู้นี่มันก็มากพอแล้วนะที่ทำให้พิษสงของความฟุ้งเนี่ยหรือความเครียดความโกรธเนี่ยมันมันละลายหายไปก็พยายามนะพยายามฝึกพยายามสร้างร่องของใจสร้างร่องใหม่สร้างนิสัยใหมนะ่เพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถที่ มีสามารถที่จะพบกับความสุขความปกติได้ด้วยได้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่ต้องไปพึ่งพาสิ่งภายนอกเวลาเครียดก็ต้องไปฟังเพลงเวลาเครียดก็ต้องไปไปไปเที่ยวห้างอันนี้เราแสดงว่าเราไม่รู้จักแสวงหาความสุขหรือพบความสุขจากภายในใจของเรานะไปพึ่งพาความสุขจากภายนอกก็คงไม่ต่างจากพระจันทร์นะพระจันทร์นี่ต้องอาศัยแสงสว่างจากภายนอกอาศัยแสงสว่างจากพระอาทิตย์ เพราะเรานี่ไม่ใช่พระจันทร์นะเพราะเรานี่เป็ น, เ ป, นเป็นดาวเลิกนะมีแสงสว่างในตัวก็คือว่าเรามีสติปัญญาอยู่ภายในเรามีความเราสามารถจะมีความสุขจากภายในได้นะคนที่ไปคอยหาความสุขจากภายนอกนี่ก็ก็คงนะก็เป็นได้แค่อย่างมากก็พระจันทร์แต่เราสามารถจะเป็นดาวเลิกได้ที่มีแสงสว่างจากภายในแล้วก็สามารถทาให้ คนอื่งพอได้รับแสงสว่างนั้นได้ด้วยนะความสุขมันมีอยู่แล้วในใจเราไม่ใช่ไปพึ่งพาสิ่งอื่นเราแต่ละคนนี่ไม่ใช่ไม้ล้มลุกนะแต่บางคนก็อยากจะเป็นไม้ล้มลุกก็คือว่าไม้ล้มลุกเนี่ยมันต้องพึ่งพาน้ำเนี่ยจากฝนจากฟ้าพอถึงหน้าแรงหน้าร้อนเนี่ยมันก็ตายแต่จริงแล้วเนี่ยเรานี่สามารถจะเป็นไม้ยืนต้นได้ก็คือว่าถึงแม้ว่า จะเป็นถึงแม้จะไม่ใช่หน้าฝนจะเป็นหน้าแล้งไม่มีฝนตกมาก็ยังเขียวได้เพราะว่าเรารู้จักหาน้ําด้วยตัวเองน้ําก็มีอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ใต้ดินนั่นแหละเพียงแต่ย่างรากลงไปให้ถึงใต้ดินก็มีน้ําเอาไว้หล่อเลี้ยงหน้าร้อนหน้าแล้งก็ยังเขียวได้นะไม่ต้องพึ่งพาน้ำจากจากฟ้าเราจะเลือกเอาก็แล้วกันนะเราจะเป็น ไม้ล้มลุกหลัวจะเป็นพืไม้ยืนต้นนะที่เหงาหงอยแห้งเวลาหน้าหน้าร้อนหรือว่าเราจะเป็นไม้ที่ยืนต้นที่เขียวสะพังตลอดทั้งปีแม่ฝนไม่ตกก็ยังเขียวได้เพราะเรารู้จักหยั่งลากลงไปาภายในวความสุขมาอยู่ภายในใจเราแล้ ว, ลวอยู่ที่ว่าเราจะอยัางให้ถึงหรือเปล่าถ้ายัางให้ถึงนะเราก็จะมีความสุขได้และสตินี่แหละจะเป็นเครื่อง เป็นอุปกรณ์สาคัญที่จะทำให้ใจเราเนี่ยยั่งไปถึงความสุขภายในได้แล้วเราก็จะคิดเราก็จะสดใสสดชื่นแม้จะไม่มีไม่ค่อยมีเงินแม้คนรอบตัวจะไม่น่ารักนะแม้สิ่งรอบตัวจะกระทึกวุ่นวายเราก็ยังมีความสุขได้แช่มชื่นเบิกบานได้ไม่หงอยเหงาไม่เครียดไม่ไ ม, ไม่ไม่เศร้าซึมเอาละก็ช้านี้ก็พูดกันท่านี้อกรับพระ